นิทานบรรเทิงครับเรื่องหมา 18 ประการ พร้อมทั้งไตรเพทและมีชาตินั้นเชี่ยวชาญ แต่เพราะไม่ต้องการให้ผู้อื่นจําได้เนื่องจากจะเกิดอันตรายจะได้ปุโรหิต มีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งนอนอยู่ใกล้ๆ เจ้าม้าจิ้งจอกก็รีบลุกขึ้นแล้วเดินเข้าไป ไปล่ะมาร์ตินจอรู้สึกกระหึ่มใจใน จ๋าสิจนัยในหมู่พวกเราในป่ามี มาอยู่ในอำนาจมันรู้สึกภูมิใจมากนายได้<ใช> หลังจากร้ายมนรวมพลมาจริงจอบได้แล้วมาจริงจอบนั้นก็คิดจะรวมพลสัตรอื่นต่อไปมันจึงได้ร้ายมนปฏพี่ผิชัยอีกครั้งนึงท่านไลนั่นเองสัตว์ป่านานาชนิดนับตั้งแต่ช้างช้างราชสีหมูกระต่ายเบเป็น commands มีอะไรให้พวกเรารับใช้แล้วนายอ่าบอกมาเลย ธรรมดาราชามันก็ต้องมียังข้าก็ มาร์จิงจอกเดินเข้าไปต่อไปที่คือราชินีของพวกเจ้าพร้อมทั้งแลบลิ้นเลีย ต่อไปนี่นี้เราจะต้องหาเมืองครอบครองและเมื่อมีเมือง เอาฮะดีอ้าวใช่โย่ใช่ ยืนแยกแถวกันไปทั้ง 2 ข้าง เคลื่อนทัพทันทีกระบวนทัพสัตว์แล้ว <c oughs> ขณะที่พวกชาวเมืองต่างพากัน ปุโรหิตสั่งให้อพยพชาวเมืองมาไว้ ให้แล้วบอกพระราชังของเจ้าได้ว่าจะเอา พลพรรคค่อนให้เวลาไม่มากนะแค่อึดใจตกลงอุโรหิตครั้นได้ทราบๆด้วย แล้วให้เริ่มรกได้เลยท้าทายหมาจิ้งจอกให้เริ่มราชสี พระราชสีห์ปฏิบัติตามคําสั่งของหมาจิ้งจอก เป็นเหตุให้ล้มตายกันหมดสิ้นเหตุให้ล้มม้ากวาง ผู้โรหิตสั่ง 12 โยชน์ชาวเมืองต่างดีใจเมืองต่างดี นิทานวิชาความรู้แม้จะให้ประโยชน์นี้สอนให้รู้ว่าวิชา